ข้อความในคุตกนิกายอิติวุติกะนะครับทุกกาณิบาตปฐมกุหนาสูตรกล่าวถึงแนวปฏิบัติพรมจัต น, นะครับสูตรนี้คล้ายพรมจริยสูตรในอังคุตระนิกายจตุกาณิบาตเนะี่ยมีความคล้ายคลึงกันจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นท่ารหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพรหมจันนี้พรหมจันหมายถึงไตรสิกขานะครับตรงนี้นะหมายถึงไตรสิกขาหมายถึงอริยมรรคเนี่ยนะครับภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อประจบคนไม่อยู่ประพฤติเพื่ออานิสงค์คือลาบสการะความสารเสริญ ไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้ดูการพิสูจน์ทางหลายที่แท้พรหมจรรย์ น, นี้พิสูจย่อมอยู่ประพฤติเพื่อการสํารวมและการละนะเพื่อสังวระกับปะหาน ะ, นะครับพราะะฉในชั้นต้นเลยก็ต้องไอ้ไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาที่ประพฤติเนี่ยนะไม่ประสงค์จะหลอกลวงใครนะครับแล้วก็ไม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการประจบประแจงใคร นะครับแล้วก็ไม่ใช่อานิสงค์คือลาภสการะความสารเสริญเนี่ยนะครับหรือว่าใครก็จะรู้จักแพร่หลายเนี่ยนะจะรู้จักเราด้วยอาการแพร่หลายด้วยอาการอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับจุดมุ่งหมายของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอริยมรรคนั้นเพื่อสังวรห้และก็เพื่อวินัย5นะวินยัยปหาหนะก็วินัยนั่นเองนะครับสรุปแล้วเพื่อสังวรวินยัยกับปะหาหนะวินัยนั่นเองนะครับ สังเกตดูนะจากสักข้อความนี้นะไม่ขัดแย้งกับพระวินัยเลยสูตรนี้กับพระวินัยปิฎกไม่ขัดกันเลยนะ mm hmm. วินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติก็เพื่อเพื่ออนุเคราะห์วินัยนะครับ mm hmm. วินัยานุกหายะนะเพื่ออนุเคราะห์วินัยอนุเคราะห์วินัยก็คือสังวรวินัยกับปหานะวินัยแล้วในสูตรนี้ก็ยังมาตอกย้ําว่าพระมรรจันคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะประสงค์เพื่อสังวรกับปหานะนั่นเองนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจังไรอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพื่อการสํารวมสังวรนะเพื่อการละคือปะหานะทางนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ ทรงดำเนินแล้วนะครับคือทรงดำเนินเพื่อสังวรนะกับปะหาหนะนะครับเพื่อกําจัดไอจังไรทั้งหลายแหลนี้ออกไปชนเหล่าใดๆย่อมประพฤติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้กระทําตามคําสั่งสอนของพระาศาสดาจักกระทําที่สุดแห่งทุก์ได้นี่นะครับผู้ที่ตั้งใจเจริญไตรสิกขาในาศาสนานี้นะครับ ถ้าเจริญเพื่อสังวรกับเจริญเพื่อปะหานะชนเหล่านั้นนะครับจะสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้าหากว่าตั้งความหมายอื่นจากนี้ก็ไม่ใช่ฐานะแน่นอนนะครับในอัธกถาขยายเป็นศัพท์ไปเลยนะครับส่วนอีทงังสับเนี่ยนะอีทางศับนี่ก็มีความหมายนิยต่างๆก็ไม่อ่านนะครับไปดูเอาเอง ทีนี้มาดูพรหมจริยศัพท์หรือคาว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะครับพรหมจริยเนี่ยนะมีหลายความหมายนะครับพรหมจริยศัพท์นี่มีทั้งหมดนะครับที่ท่านเรียบเรียงมาให้นี่ก็สิบความหมายสิบความหมายนะครับความหมายที่หนึ่งก็คือหมายถึงการให้นะพรหมจริยะนี่แปลว่าการให้บางแห่งนี่หมายถึงการขวนขวายบางแห่งเนี่ยหมายถึงศีลห้านะครับบางแห่งก็หมายถึงพรหมวิหาร บางแห่งก็หมายถึงเมถุนวิรัติบางแห่งก็หมายถึงสันโดษในภรรยาบางแห่งก็หมายถึงความเพียรบางแห่งก็หมายถึงอุโบสถมีองค์8บางแห่งก็มีความหมายถึงอริยมรรต์นะครับบางแห่งก็มีความหมายถึงการสงเคราะห์ไตรสิกขาสามนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างต่อไปให้เห็นชัดเจนนะครับเช่นพรหมจริยศัพหรือพรหมจรรย์เนี่ยนะครับมีความหมายว่าหมายถึงการให้นะ ก็อย่างยกตัวอย่างในปุลณกะชาดกนะครับว่าที่มีคําถามว่าวัดและพรหมจรรย์ของท่านเป็นอย่างไรความเกิดขึ้นแห่งฤทธิ์ความรุ่งเรืองกําลังและความเพียร น, นี้เป็นผลของความประพฤติเช่นไรข้าแต่ท่านผู้จะประเสริฐขอท่านจงบอกมหาวิมานแก่ข้าพเจ้าทําบุญอะไรนะจึงได้มหาวิมานใหญ่ขนาดนี้นะ ก็ตอบว่าข้าพเจ้าและภรรยาทั้งสองเป็นทานบดีมีสัตวานในมนุษยโลกครั้งนั้นเรือนของข้าพเจ้าได้เป็นดังบ่ อ, บอน้ำสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเอิบอิ่มนั่นเป็นวัดเป็นพรหมจรรย์ของเราพรหมจรรย์ตรงนี้หมายถึ ง, งการให้นะครับทานทั้งหลายนั่นเองนะครับความเกิดขึ้นแห่งฤทธความรุ่งเรืองกำลังและความเพียร น, นี้เป็นผลแห่งความประพฤติดีนั้น ข้าแต่ท่านผู้มีปัญญานี่แหละเป็นมหาวิมานของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมจันท ร, ร์ในปุ่นกกะชาดกนั่นนะครับหมายถึงการให้นะครับหมายถึงทานนั่นเองอันนะจริงๆแล้วถ้าเรียนมังคลัทีปณีมานะครับบรมจรรันทร์เนี่ยนะครับในข้อว่าพรหมจันท ร, ร์ก็จะยกข้อความอันี้ไปขยายเหมือนกันนะครับในมังคลัทีปณีนะการอาหารน่าจะพอนึกนึกได้นะ ต่อไปนะครับพรหมจรรย์นี่มาหมายความหมายว่าขวนขวายความขวนขวายนะอย่างเช่นในคัมภีเปตวัตถุอังกุระเปตวัตถุที่บอกว่าฝ่ามือให้ความต้องการสําเร็จด้วยอะไรนะครับที่อังกุระพ่อค้าเนี่ยนะครับถามเปรตนะว่าไอ้ฝ่ามือของท่านเนี่ยนะต้องการสําเร็จด้วยอะไรฝ่ามือมีความอร่อยเป็นที่ไหลออกด้วยอะไรบุญย่อมสําเร็จในฝ่ามือด้วยพรหมจรรย์อะไรของท่าน คือท่านไปทํามาบุญอะไรมาอยากให้น้ําน้ําก็ไหลออกจากมืออยากได้อะไรก็ไหลออกมาจากมือหมดเนี่ยนะครับเปรตก็บอกว่าฝ่์มือของเราให้ความสําเร็จน่ะให้ความใคร่สาเร็จมีรถอร่อยเป็นที่ไหลออกบุญย่อมสําเร็จที่ฝ่์มือของเราเพราะพรหมจั๋งนั้นนั้นคือหมายถึง พรหมจันทร์ได้บอกว่าเวลาทายกเข้ามาถา ม, ถามถึงบ้านเศรษฐีเนี่ยนะก็จะบอกว่าไปทางนี้นะไปทางนี้นะเอามือที่ชี้ด้วยเมตตาจิตเป็นต้นเนี่ยแนะนําให้เขาบุญอันนั้นแหละเนี่ยนะหมายถึงการขวนขวายชี้แนะให้เขาเนี่ยนะบุญอันนี้แหละทําให้มีฝ่ามือเป็นที่หลังไหลอะไรมาก็ได้ตามความต้องการแาลว่าชี้อะไรก็เป็นสิ่งนั้นนะ น, นะอันนี้หมายถึงในอังกุระเปตวัตถุก็ใช้คาว่าพรหมจันทร์เหมือนกันบรมจริยนะเหมือนกันนะครับ ทีนี้ส่วนในติติระชาดกนะครับหมายถึงศีลห้านะหมายถึงศิขาบทห้าข้อในติติระชาดกนี้ว่าอีท้งโคตังพิคเวติติริยังนามะบรมจริยังอหูสิดูความพิสูจนทั้งหลายพรหมจารทร์ชื่อว่าติติริยะนี้ได้มีแล้วคือวัดถึงการเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเอเคารพต่อผู้มีอายุมากกว่านะในพูดถึงติตระนี้หมายถึงนกกระทาใช่ไครับ นะที่รักษาศีลห้านะครับที่ว่าพรหมจันท ร, ร์ที่นกได้รักษาศีลห้าเคารพต่อผู้ใหญ่เนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะครับมาในพรหมวิหารเช่นในมหาโควินทสูตรนะครับทีคนิกยมหาวจนะนะมหาโควินทสูตรนี้หมายถึงพรหมวิหารนะครับพรหมจริยศัพท์ตรงนั้นเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนปัญจสิทธะพรหมจรรันทร์นั่นแลไม่ใช่เพื่อความเบืน่าย ไม่ใช่เพื่อความปราศจากความกำหนดเนี่ยนะครับข้อความก็ละเพียงเพื่อความเข้าถึงพรห ม, มโลกเท่านั้นอันนี้ก็ยกเต็งข้อความในมหาโควินทสูตรที่สนังกุมารพรหมนะครับเล่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, ะพฤติประโยชน์สุขแก่สัตว์เนี่ยไม่ใช่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแม้ใ น, นอดีตท่านก็ประพฤติ สิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุกแก่สัตว์เหมือนกันก็เลยเอาเรืร่องมหาโควินมาเล่านะอันมหาโควินนั้นก็สอนให้บริษัททั้งหลายเนี่ยเจริญพรหมวิหารแต่พรหมวิหารนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อมักแล้วก็พนิพพานอะไรเนาะที่แท้พรหมวิหารในสมัยที่เกิดเป็นโควินเนี่ยนะสอนให้สัตว์ ถ, ถึงพรห ม, มโลกเท่านั้นเองหลังนั้นเถอะ อันนี้เพราะฉะนั้นในมหาโควินทสูตรนั้นหมายถึงพรหมวิหารส่วนในสันเลขสูตรนะสันเลขสูตรนะครับมาแล้วหมายหมายถึงเมถุนวิรัตว่าปเปเรอบรมจาริโนภวิ ส, สันติมยะเมธาบรมจาริโนภวิ ส, สามะพวกอื่นจะไม่เป็นพรหมจารีเราจะเป็นพรหมจารีดังนี้อันนี้หมายถึงเมถุนวิรัตนะครับคืองดเว้นจากเมถุนนั่นเองนะครับ ในสาเลขสูตรเนี่ยนะหมายถึงการไม่เสพเมถุนเนี่ยชื่อว่าพรหมจรรย์เหมือนกันส่วนในมหาธรรมปาละชาดกนี่นะครับมาในสัตสารสันโดษหมายว่าสันโดษในภรรยาของตัวเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราไม่ล่วงละเมิดพัรยาทั้งพัรยาก็ไม่ล่วงละเมิดเราคือต่างฝ่ายต่างไม่นอกใจนะเราประพฤติพรหมจรรย์ยกเว้นพัรยาเพราะฉะนั้นเด็กทั้งหลายของเราจึงไม่ตาย นะครับหมายเขาว่าไม่ตายตั้งแต่อายุสั้นเนื่องจากทุกคนมีศีลหมดนะนะคือต่างฝ่ายต่างไม่นอกใจซึ่งกันและกันนะนะไม่ใช่ครับคือไม่ล่วงละเมิดหมายเขาว่าไม่ต่างฝ่ายต่างไม่ไปมีชู้อะไรกันเลยนะครับไม่ไปล่วงอะไรกันเลยนะมีใจเดียวกันเนี่ยนะครับสันโดษนะนะสันโดษในพัญญาของตนนะนะไม่นึกต้องการญิงอื่นอีกแล้วนะครับลักษณะนี้ก็ทําให้มีอายุยืนนะนะ ส่วนในโลมหังสะสูตรนะครับหมายถึงความเพียร น, นะที่โลมหังสะสูตเนี่ยนะครับอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามหาสีหนาสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายนะว่าดูก่อนสารีบุตรก็เราประพฤติความเพียรอันประเสริฐประกอบด้วยองค์สี่จึงรู้ยิ่งได้ยินว่าเราเป็นผู้มีความเพียร น, นะครับนี้ก็ในดูได้นะว่าคําว่าพร้ม บรมจริยังเนี่ยนะครับหมายถึงความเพียร น, นะในมหาสีธนาสูตรนะครับส่วนอีกที่หนึ่งหมายถึงอุโบสถมีองค์แปดนะครับเช่นในนิมิราชาดกนะครับนิมิราชาด ก, ก น, นะหมายถึงอุโบสถมีองค์แปดซึ่งทำด้วยการทรมานตนเนี่ยนะครับที่บอกว่าบุคคลเข้าถึงกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์เลว คือหมายถึงอุโบสถมีองค์แปดนี่ยนะบุคคลเข้าถึงเทวดาด้วยพรหมจันทร์ปานกลางย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจันทร์อันสูงสุดนะครับอันนี้หมายถึงอุโบสถมีองค์แปดส่วนในมหาโควินทสูตรเนี่ยก็หมายถึงอริยมรรคเหมือนกันนะครับในมหาโควินทสูตรเนี่ยนะถ้ากล่าวถึงพรหมจันทร์ของมหาโควินทพราหม์เนี่ยนะครับอันนั้นหมายถึงพรหมิหารสี่แต่ถ้า ในโควินทั้สูตรเหมือนกันพระองค์ก็กล่าวถึงพระพรหมจรรย์ของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหมายถึงอริยมรรคที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนปัญจะศึกขะพรหมจรรย์นี่แลเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อปราศจากความกำหนัดเพื่อความนะเพื่อจนถึงพระนิพพานเนี่ยนะครับพระพรหมจรรย์ที่พระองค์สอนในสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นพรหมจรรย์ที่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นก็หมายถึง อริยมัติมีองค์แปดอันเป็นอริยะนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในมหาโควินทสูตรเหมือนกันส่วนในปาสาทิกสูตรนี่นะครับมีความหมายถึงคําสอนที่สงเคราะห์ด้วยศิกขาสามคือหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะครับพรหมจรรย์นในทั่วๆไปโดยมากเนี่ยนะครับเช่นพระองค์ประกาศพรหมจรมจรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยั ญ, ญชนะเนี่ยนะทั่วทั่วๆไปโดยมากแล้วหมายถึงไตรศิกขาและอริยมัตินั่นเองนะครับแต่เฉพาะใน ภาสาธิกาสูตรเนี่ยนะครับไม้เอาสิขาสามบทว่าเช่นที่พระองค์ตรัสว่าพรหมจันทร์นี้นั้นสมบูรณ์แพร่หลายพิสดารรู้กันมากกว้างขวางตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ก็ได้ประกาศเป็นอย่างนี้หมายความว่า พรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกว้างขวางแม้เทวดาก็ประกาศได้แม้แต่มนุษย์ก็ประกาศได้เป็นอย่างดีนะอันนี้กล่าวถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยนะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแพร่หลายได้แล้วว่า ง, งั้นเถอะส่วนในปฐมกุหณสูตรที่กล่าวว่าพรหมจรรย์ น, นี้ภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะหลอกลวงชนไม่อยู่ประพฤติเพื่อจะประจบคน ไม่อยู่ประพฤติเพื่ออนิสงค์คือลาบสการะความสารเสริญไม่อยู่ประพฤติด้วยคิดว่าชนจงรู้จากเราด้วยอาการอย่างนี้นะครับดูกรพิสูจน์ทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้พิสูจย่อมประพฤติเพื่อการสํารวมและการละเพราะฉะนั้นในสูตรนี้หมายถึงอริยมรรยและคําสอนที่สงเคราะห์ในศิกขา3านะครับหมายความว่าถ้าอย่างในช่วงที่กําลังประพฤติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอยู่ยังไม่ถึงอริยมรรยก็ ก็ต้องตั้งความหมายเพื่อสังวรและเพื่อปฐานะต้องไม่ตั้งเพื่ออย่างอื่นแม้แต่อริยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพื่ อ, อย่างอื่นนะครับเพื่อสังวรกับปหานะโดยส่วนเดียวนะครับบทว่าวุสติได้แก่อยู่อธิบายว่าประพฤตินะครับก็ขยายพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุไม่อยู่ประพฤติเพื่อหลอกลวงชนเนี่ยนะบทว่าชนะกนะุฮะะ นัดถังได้แก่เพื่อหลอกลวงชนคือสัตว์โลกนะครับมาดูวิธีหลอกลวงกันนะวิธีหลอกลวงโดยนายเมียที่ว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้ามีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีความมักน้อยสันโดษมีความวิเศษมากนะมีอำนาจมากดังนี้นะก็ไม่ได้่าอยากให้หลอกลวงคนให้คนมาคิดอะไรแบบนั้นกับตัวอะไรหรอกนะครับ ชนะละปนถังได้แก่เพื่อยังมนุษย์ผู้มีจิตเลื่อมใสว่าทานที่ถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าเห็นปานนี้จะมีผลมากให้กล่าวว่าต้องการด้วยอะไรนะจงนำอะไรมาดังนี้นะคือไม่ใช่ว่า โอ้โอยู่เพื่อประจบคนนะวาโยโอมมาทำกับพวกอาตมานะอาตมาเนี่ยเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมแต่โยมมาทำเนี่ยนะจะมีผลมากมีอริสงมากช่วยๆก็บอกกันต่อไปนะไม่ใช่มาตระพืชพรหมจรนท์เพื่อเหตุผลเหล่านี้นะครับต้องไม่ใช่มาโอ้โหคนจะได้ประจบประแจงคนให้คนมาทำบุญกันยกใหญ่เลยนะไม่ใช่แบบนั้น บทว่าลาภสการสิโลกาณิสังสัตถังนะครับได้แก่เพื่ออนิสงส์อันเป็นปัจจุบันของผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือการได้ปัจจัยสีเนี่ยนะคำว่าลาบในที่นี้นะไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาบนะคำว่าลาบในที่นี้เป็นชื่อของปัจจัยสีเช่นจีวณอาหารที่อยู่อาศายัยหยุกยาเป็นต้นนะที่ท่านกล่าวไว้โดยความเป็นอนิสงส์ของศเนี่ยนะคือปกติเนี่ยนะครับ ถ้าผู้มีศีลจริงๆเนี่ยนะปัจจัยสีนี่เป็นอนิสองส์อยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาเพื่อลาบอย่างที่ว่ารอให้มันมันเปลืองตัวเปล่าๆไปสํานวนวนะะเพราะว่าศีลเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งลาบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาเพื่อสิ่งนั้นหรอกเพราะว่าพราะองค์ตรัสไว้ในอากังเคยสูตรว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายหาพิสุพึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงหวังได้ว่าเราพึงได้บริขารคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะกขีลานะปัจจัยเภสัตอันนี้คือปกติว่าอ น, นิสงฆ์ของศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับท่าพระองค์จึงตรัสอั น, นิสงฆ์ของศีลเอาไว้แต่ไม่ได้ตั้งว่าเออเนี่ยนะเธอทั้งหลายมารักษาศีล น, นะเมื่อเธอรักษาศีลแล้วหูจีวอนก็จะเกิดขึ้นเอาจะได้ผ้างามๆผ้าไหมผ้ากำพลผ้าอะไรต่างๆอย่ไะไปตั้งแบบนั้นนะ แต่ว่าถ้าหากว่าเธอเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่นะเธอรักษาศีลดีปัจจัยสี่เป็นต้นก็จะเกิดแก่เธอเธอก็จะได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างสบายนะครับคงมีความเข้าใจนะว่าคืออั น, นิสงส์ของศีลเนี่ยได้ได้ลาบสการะอยู่แล้วแต่อย่าไปตั้งว่าศีนเหล่านี้เป็นไปเพื่อลาบสการะถามว่าควรตั้งยังไงควรตั้งเพื่อสังวรและปะหาณะนะครับ หรือบางทีก็บอกว่าและสการะอันได้แก่การให้ปัจจัยสี่โดยเคารพนะทั้งการเอื้อเฟื้อการนับถือมากการทําความเคารพนี่เคียวว่าสการะนะลักษณะของสการะหมายถึงเช่นเวลาเขาจะเอาปัจจัยสีมาให้ก็ต้องให้โดยความเอื้อเฟือ้อหูลุกลิลุกลนให้เนี่ยนะนับถือมากนะลักษณะแบบนั้นอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะ หรือตั้งป้าหมายเพื่อความสารเสริญอันได้แก่ความเฟื่องฟูความยกย่องความมือความมีชื่อเสียงโดยนายเมียที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นประหูสูตรผู้ทรงทุดงเป็นผู้ปรารบความเพียร น, น่ยนะอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่างนั้นนะให้คําคําสารเสริญระบือลือไปไกลเลยว่าโอ้ยพระภิกษุกลุ่มนี้หรือพวกเราเนี่ยนะเป็นดูซิพหูสูตรร่ำเรียนมาม า, มากทุดงก่อรักษาฉันมือเดียวเป็นต้นเน่ยนะ ไปตาลบความเพียรเดินจงกรมไม่ค่อยหลับค่อยนอนไปที่ไหนก็เอาแต่สิ่งเหล่าเนี้ไปเที่ยวบอกคนอื่นเขาอย่าไปเป็นแบบนั้นนะะอย่าไปตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งเหล่านั้นนะบทว่าอิติมังชโนชานาตุผูกเป็นใจความว่าพรหมจันนี้ภิกษุไม่อยู่เพื่อให้เขายกย่องด้วยคุณอันมีอยู่ของตนว่าขนาดมีอยู่แล้วนะคุณธรรมเนี่ยนะอย่าไปตั้งเป้าหมายให้เขายกย่องนะว่าชนจงรู้จัก คือจงยกย่องเราโดยอาธิว่าเมื่อมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเนี่ยดีนะมีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปหวังแบบนั้นนะครับให้คนรู้จักแหมคุณงามความดีของตัวเองมีเท่าไหร่เนี่ยนะคนทั้งหลายก็จะได้มารู้จักไปหมดเลยอย่าไปตั้งเป้าหมายแบบนั้นเด็ดขาดนะครับแต่อาจารย์บางพวกกล่าวความในบทนี้อย่างนี้ว่าบทว่าชนะกุหณัถังได้แก่ เมื่อพิสูน์มีความปรารถนาลามกมากๆเพื่อจะหลอกลวงชนด้วยความเท็จด้วยกุหนาวัตถุ3ามอย่างกล่าวคือการร่ายมนต์อาศัยอิริยาบทและก็การเสพตัดใ จ, จเป็นต้นนะครับแต่ว่าพระธรรม ป, ปาละแนะนำว่าวิธีการปฏิบัติอย่างที่กล่าวครั้งแรกนะ่ะดีกว่านะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสแสดงว่าอีทางพิขเวบรมจรยังวุตสติดังนี้ อันมีความอื่นจากความหลอกลวงเป็นต้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงถึงประโยคนั้นจึงตรัสว่าสังวรัสถันเจวะปะหาณัถันจะดังนี้นะครับในบทว่าสังวรัสถันเจวะปะหาณัถันจะเนี่ยนะครับสังวรมีหนะครับคือสังวรมีหปหาณมีหนะทีนี้สังวรห5ได้แก่นะคุณต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรห้านะ หคืออะไรบ้างหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปาติโมกสังวรสองสติสังวรสญมานสังวรสี่ขันติสังวรห้าวิริยะสังวรนะครับเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรห้าประการนี้นะครับในสังวรเหล่านั้นนะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสังวรคือปาติโมกสังวรเช่นผู้ตถาโพธิวาสภิกษุเป็นผู้เข้าถึง เข้าถึงพร้อมด้วยความสัมรวมในปาติมโมกนี้ท่านเรียกว่าศีลสังวรนะครับส่วนสติสังวรก็เช่นรักษาจากขุนศีนะเชื่อว่าถึงความสัมรวมในจากขุนศีนะครับไม่ให้ใจเป็นบาปเมื่อตามมองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนญาณนะสังวรก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกาอณัชิตะสติเป็นเครื่องห้ามกระแสในโลกเรากล่าวความสัมรวมกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นพึงทําลายด้วยปัญญานะครับในอัชิตะ มานวะกะปัญหานิเทศนะครับตัวนั้นศัพท์นั้นเป็นชื่อของยาณสังวรส่วนคันติสังวรก็เป็นต้นว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนเป็นต้นส่วนวิริยะสังวร น, นะครับเช่นพุทธพจน์ที่ว่าอุปปันนางกามวิตักกังนาทิวาเสติไม่ยอมให้กามวิตตกที่เกิดขึ้นแล้วท่วมทับได้นะครับกามวิตตกเกิดขึ้นก็รีบตัดออกไปทันทีคนแบบนี้เรียกว่าคนมีความเพียร น, นะครับ เพราะฉะนั้นสังวรทั้งหประการคือ1ปาติโมขสังวรหรือศีลสังวรนี่อันเดียวกัน2อินทรียสังวรหรือสติสังวรนี่อันเดียวกัน3ายานะสังวรสีคันติสังวรห้ 5. วิริยะสังวรนะครับแต่โดยเนื้อความโดยอัฏฐนะเจตนาและวิรัติที่เป็นไปแล้วโดยการละปานาติบาตเป็นต้นและด้วยการกระทําวัดปฏิบัติ นี่นะนี่นโดยอัฏฐะของศีลสังวรนะครับโดยย่อก็คือความสำรวมกายและวาจาทั้งปวงโดยพิสดารได้แก่การไม่ล่วงกองอาบัตเจชื่อว่าศีลสังวรอันลักษณะของศีลสังวรเนี่ยนะครับองทำได้แก่เจตนาหรือได้แก่วิรัตเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในการละปาณาติบาตแต่ก็เจตนาวิรัตไม่ใช่อย่างเดียวโดยที่แท้ก็ยังเป็นเจตนาที่ต้องประพฤติวัดปฏิบัติด้วยนะครับ ประพฤติวัดปฏิบัตินะฉะนั้นรวบรวมความถึงการสํารวมทางกายสํารวมทางวาจาแต่ถ้าแบบพิสดาร ห, หน่อยก็เนี่ยนะครับวินัยปิดอกทั้งหมดนะครับชื่อว่าศีลสังวรเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อรักษาวินัยในพระวินัยบัญญัติให้เต็มบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับลักษณะนี้แหละครับเรียกว่าศีลสังวรเพราะฉะนั้นประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสนานี้เพื่อสังวร น, นะเพื่อวินัยสังวรก่อนชั้นต้นนะครับเพื่อวินัยสังวรเนี่ยนะเพื่อรักษาพระวินัยปิดกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ตั้งเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้นะต่อไปสติสังวรคือสตินั่นเองหรือกุศลขันอันมีสติเป็นประธานหมายความว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นในระหว่างตามองเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสติสังวรอันนี้นะครับต่อไปญาณสังวรก็คือญาณะนั่นเองนะครับหมายถึงปัญญาณะ คือคือญาณสังวรได้แก่ปัญญานะต่อไปมาขึ้นขันติสังวร น, นะกุศลขันอันเป็นไปแล้วด้วยความอดกลั้นเพราะมีอโทสะเป็นประธานชื่อว่าขันติสังวร น, นะครับหมายถึงไม่โกรธนะครับหมายถึงกุศลจิตนี่แหละนะขันติบางแห่งเนี่ยเป็นชื่อของปัญญานะครับบางแห่งนะบางบางแห่งเป็นชื่อของปัญญาเช่นธรรมนิชานขันติยาอะไรนะขันติตรงนั้นเป็นชื่อของปัญญา ส่วนวิริยะสังวรคือความเพียรอันเป็นไปแล้วด้วยความอดกลั้นกามวิตกเป็นต้นชื่อว่าวิริยะสังวรในสังวรเหล่านั้นพึงทราบว่าข้อแรกชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความเป็นผู้ทุศีลมีกายะทุจริตเป็นต้นสังวรเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าปิดแปลว่ากัน้นแปลว่าห้ามนะครับเพราะฉะนั้นไอการปิดการกัน้นการห้ามห้ามอะไรครับห้ามความทุศีนคือห้ามความชั่วทางกายห้ามความชั่วทางวาจานั่นเอง ส่วนข้อที่2ชื่อว่าสังวรเพราะป้องกันความหลงลืมนะครับหลงลืมไม่ปล่อยถ้าคนหลงลืมใจก็จะเป็นบาปเวลาเห็นเป็นต้นเนี่ยไม่หลงลืมนะครับไม่ลืมกิจของตัวเองเลยนะก็มีสติดํารงมั่นส่วนข้อ3ชื <asion> calendar, ่อว่าสังวรเพราะป้องกันความไม่รู้นะครับเพราะปิดกั้นไม่ให้อวิชชาครอบงําส่วนข้อที่4ชื่อว่าสังวรเนี่ยนะครับเพราะป้องกันความไม่อดทนนะครับป้องกันโทสะนะ ส่วนสังวรข้อที่หก็คือสังวรเพราะสำรวมคือปิดกั้นความเกียรตคร้านนัคนที่ปล่อยให้อากุศลวิตตกเป็นต้นเนี่ยครอบงาคนเหล่านั้นชื่อว่าเกียรคร้านเนี่ยนะครับอธิบายว่าเพื่อการสำรวมคือเพื่อให้การสำรวมเพื่อประโยชน์แต่การสำรวมนั้นด้วยประการชนิด น, นี้คือเป้าหมายของพรหมจาร์ที่พระ อ, องค์ทร ง, งแสดงว่าเพื่อสังวรเหล่านี้นะเพื่อสังวรทั้งห้าประการเนี่ยนะคือเพื่อศีลสังวรเพื่อสติสังวรเพื่อ ญานาสังวรเพื่อขันติสังวรและก็วิริยะสังวรนะครับอันพรอาจรรย์ น, นี้เพื่อสังวรห้ประการนี้นะอย่าไปคิดเป็นอื่นนะ ไ, ไม่ใช่ไปรักษาศีลเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นต้นนะครับต้องเพื่อสังวรนี้ห้าห้าอย่างนี้นะครับจุดมุ่งหมายนะครับถ้าบอกว่าถ้าจิตมันคิดเป็นอื่นก็รีบสมาทานแบบนี้เด็ดขาดนะว่านี่นะจุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงให้เราตั้งไว้นะตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเลยว่าศีลสมาธิปัญญาที่อ บ, บรมเนี่ยเพื่อสังวรห้านี่นะ และเพื่อปะหาณะหปาปหานะ5ก็คือตทางค้าปหาญนะครับวิคัมพนะปหาญสมุเฉทปะหาญปฏิปัสสธิปะหาญและนิสรณะปหาญส่วนตทางค้าปหาญได้แก่ทานศีลและก็วิปัสนาทั้งหลายเรียกว่าตทางค้าปหาญวิคัมพนะปหาญได้แก่สมถะสมุเฉทปะหาญได้แก่อริยมรรคปฏิปัสสธิปะหาญได้แก่อริยผลส่วนนิสรณปะหาญได้แก่พระนิพพาน เพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ที่ประพฤตินี้ก็เพื่อปหานะทั้ง5ประการนี่นะครับส่วนคําขยายปหาณนะนี้ก็ได้เคยขยายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่กล่าวอีกนะครับอธิบายว่าเพื่อการละคือเพื่อให้สําเร็จการละเพื่อประโยชน์แก่การละเพราะสละหรือเพราะก้าวล่วงกิเลสมีราคะเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้ง5อย่างนี้นะครับนี่คือจุดมุ่งหมายปลายทางของการเจริญ พรหมจรรย์หรือการประพฤติรพรหมจรรย์ในที่นี้นะครับเป็นผลของการประพฤติศีลสมาธิปัญญาหรือการประพฤติตามคําสอนเนี่ยต้องเพื่อ10อย่างนี้นะครับเพื่อสังวรห้เพื่อปหานะห้ในบทนั้นเกจิอาจารย์กล่าวว่าการห้ามกิเลสเข้าไปในจิตสันดานด้วยการสังวรการห้ามกิเลสเข้าไปในจิตสันดานและการถอนด้วยปหานะ ก็แม้โดยทั้งสองอย่างพึ่งเห็นว่าทั้งสองอย่างสมบูรณ์ตามควรความจริงธรรมะมีศีลเป็นต้นชื่อว่าสังวรเพราะการสํารวมชื่อว่าปะหานะเพราะการละนะครับสังวรก็คือปิดกั้นนะนะปะหานะก็คือละชั้นต้นเลยนะศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อปิดกัน้นไม่ให้บาปมันไหลเข้าก่อนอย่างข้อที่สองก็คือชําระชะล้างบาปที่มันเกิดขึ้นนะนี่คือจุดมุ่งหมายของพรหมจา ร, ร์ของพระผู้มีพระภาคนะครับ ส่วนในคาถาเนี่ยนะคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์เครื่องกำจัดจันไรอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพื่อการสํารวมเพื่อการละทางนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประโยชน์ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงดําเนินไปแล้วชนเหล่าใดชนเหล่าใดย่อมปฏิบัติพรหมจรรย์นั้นตามที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงสแสดงแล้ว ชนเหล่านั้นชนเหล่านั้นผู้ ก, กระทำตามคำสั่งสอนของภาษาสดาจักกระทำที่สุดแห่งทุกได้อันอัตกรถาที่บายว่าอนนติหังได้แก่อันตรายนะคืออันตรายทั้งที่เป็นไปในปัจจุบันทั้งที่เป็นไปในสัปรายภพท่านเรียกว่าจัรายหรืออิตินะครับอีนนะอิติหังอันนะก็สพิติโย น, นะนะสะจังไรทั้งปวงอันนะความจังไรทั้งปวงอ น, นะ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าอีติหังเพราะพรหมจรรย์กําจัดจันไรคือทำให้พินาศคือการละละจังไรที่เป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพนะครับบทว่าอนุอีติหังเป็นอณีติหังคือกําจัดจันไรได้แก่าศาสนาะพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์ น, นะครับดังนั้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะครับหรืออริยมรรคที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี่นะครับเพื่อกําจัดจังไรคืออันตรายในปัจจุบันและสัมปรายภพนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งอุปกิเลสมีตันหาเป็นต้นชื่อว่าอิติหาเพราะนําไปคือเป็นไปกับด้วยจันไรทั้งหลายอันหาประโยชน์ไม่ได้นะกิเลสเนี่ยนะชื่อว่าจันไรเชื่อว่าอนิติหังเพราะไม่มีจันรายนะครับหรือบางทีบอกว่าลัทธิของเดรธีนะครับคือที่ถีหกสิบสเนี่ยนะครับตามความที่ได้กล่าวแล้วชื่อว่าอิติหานะครับชื่อว่าจันไรนะพรหมจันทร์ชื่อว่าอิติหาเพราะตรงกันข้ามกับลัทธิเดรธีนั้นนะครับ ปาฐะว่าอ น, นิติหังดังนี้บ้างมีอธิบายว่าวิจิกิจฉาชื่อว่าอิติหะเพราะมีความจังไรในธรรมะทั้งหลายไม่น้อยอลังเลสงสัย น, นะพรหมจารยร์ชื่อว่าอ น, นิติหะเพราะไม่มีความสงสัยเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติตามคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วเป็นผู้หมดสงสัยอธิบายว่าพรหมจันทร์นี้เป็นอประปัจจัยคือไม่อาศัยสิ่งอื่นสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าทำนี้เป็นอตตกกาวจรไม่มีความวิตกกังวลนะ น, นี้หมายถึงโลกุตระนะครับผู้รู้พึงรู้เองคือหมายถึงมรรคผลเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องตรึกอะไรนะครับเป็นเรื่องที่เข้าถึงจริงๆเพื่อให้ง่ายในคาถาเกจิอาจารย์จึงทําเป็นทีฆะพรหมจันท ร, ร์ชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานเพราะเป็นเหตุให้ถึงที่สุดคือที่พึ่ง คือฝั่งอันได้แก่นิพพานอธิบายว่ามีวิมุติเป็นรถนะครับเพราะวิมุติเป็นรถเป็นเหตุให้ถึงนิพพานโดยส่วนเดียวเท่านั้นพรหมจรรย์ น, นั้นเป็นเหตุให้ถึงฝั่งคือนิพพานนะครับบทว่าโสความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบท้วนทรงทําลายสัพพกิเลสแล้ว จึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงชี้แจงนะครับคือพระองค์นี่ทรงแสดงทรงชี้แจงใช่ไหมครับชี้แจงอะไรครับชี้แจงนิพพมจรรันเนี่ยเพื่อสังวรเพื่อปหานะเพื่อนิพพานนะนะอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวอริยมรรคว่านิพพานะโนคโทอย่างลงสู่นิพพานะ เพราะเวณอริยมรคนั้นเสียแล้วไม่มีการยังลงสู่พระนิพพานได้เลยเพราะอริยมรคนั้นไม่หน่วงเหนี่ยวพระนิพพานแล้วจะเป็นไปไม่ได้นะครับคืออริยมรคนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์คืออริยมรคนี่นะครับเป็นเหตุให้เข้ายัางลงสู่นิพพานอันหนึ่งพรหมจรรย์นั้นชื่อว่านิพพานโนคะทคามิเพราะเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานนั้นโดยส่วนเดียวนะครับ พรหมจรรย์เนี่ยนะคือศาสนาพรหมจรรย์กับมรรคพรหมจรรย์นี่นะครับถ้าประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบอย่างไรเสียก็ต้องอย่างลงสู่พันิพานอีกอย่างหนึ่งบดว่านิพพานโนคทะคามินังได้แก่เป็นเหตุให้ถึงภายในแห่งพันิพานอธิบายว่ามรรคพรหมจรรย์กระทําพันิพานให้เป็นอารมณ์แล้วจึงเป็นไปคือเป็นไปทั่วภายในในพันิพานนั่นนั่นเองนะครับ คืออริยมรรคที่เกิดขึ้นอาศัยสังวรปหาณนะเนี่ยนะอริยมรรคที่เกิดขึ้นโดยที่มีพรหมจรร์เป็นอุปนิสัยให้เกิดขึ้นเนี่ยนะอริยมรรคอันนั้นอย่างลงสู่พระพระนิพานนะครับบทว่ามหาเถ hi ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้มีตนใหญ่คือมีอัธยาศัยยิ่งถามว่าอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าแค่ไหนครับก็ อ, อัธยาศัยปราถนาจะให้พ้นอื่นพ้นทุกข์ด้วยนั่นแหละครับอัธยาศัยไม่ธรรมดา พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เพราะเสาะแสวงหาพระนิพพานใหญ่หรือขันมีศีลขันเป็นต้นอันใหญ่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงดำเนินไปแล้วคือปฏิบัติแล้วนะครับผู้สแสวงหาคุณคือพระนิพพานเนี่ยนะหรือสแสวงหาอริยมรรคอันใหญ่เนี่ยนะครับบทว่ายะถาพุเทเธนะเทสิตังความว่าชนเราใดปฏิบัติมัคคุปปรจัจจ์นั้น และศาสนพรมจันทร์คือไตรสิกขาอันมีประโยชน์นั้นโดยอาการที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแสดงธรรมมีอภินญญายธรรมเป็นต้นนะครับสังเกตดูนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรกําหนดรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทําให้แจ้งและธรรมะที่ควรเจริญนะครับสรุปสรุปนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่5ความหมายนี่แหละครับ พระองค์ตรัสไว้โดยความเป็นอภินญยธรรมเป็นต้นนั่นแลชนเหล่านั้นเป็นผู้กระทาตามคำสั่งสอนคือกระทาตามโอวาทของเราผู้เป็นศาสดาผู้พร่ำสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันและสำปรายภาพตามสมควรจากธรรมที่สุดคือ ความเป็นไปไม่ได้แห่งวัตถทุกทั้งสิ้นนะถ้าปฏิบัติตามเนี่ยวัตถทุกมันไม่เป็นไปอีกรอกเหมงอนนหรือจักระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกขได้ด้วยประการชะนี้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะนะถ้าหากว่าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อลาบสการะชื่อเสียงเพื่ออย่างอื่นที่นอกจากสังวรและประหานะพระมรรจันเหล่านั้นเป็นไปเพื่อสิ้นวัตถุทุกได้จริงๆนะครับ คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยสความหมายเนี่นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เช่นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะพรหมจรรย์สับนั้นเนี่ยนะครับอาสาทังสพยัญชนะงเกวละปริปุนังอะไรนะปริสูทธังบรมจรยสสิยังประกาศเสสีนี่บรมจรรยงตัวนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์นะครับที่พระ อ, องค์ทรงประกาศเนี่ยนะนี่ก็ในสูตรที่หนึ่งนะครับ